แต่ถ้าว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้คิดว่าเราย่อมเป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยการสมาธิานศีลและวัดและความประพฤติอันประเสริฐนี้พึงทราบว่านรกกับกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าถือว่าถ้าทําตัวเลียนแบบหมาเดะหมดจะทําให้ไปเกิดจะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะอันนี้ตายแล้วเกิดเป็นหมาจริงๆ แต่ถ้าถือว่าถ้าทำตัวเรียนแบบหมาแล้วจะทำให้บริสุทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดายางใดอย่างหนึ่งนะคติสองของทิฐิอนนั้นคือนรกกับเดรชาดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนปุณะเนี่ยนะในในเล่ม20นะข้อ85หน้า187กล่าวว่าดูก่อนปุณะบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญวัดสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวาย ประพฤติศีสนสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพ็ญสมาธิสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพ็ญอากัปปะคือกิริยาของสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพ็ญวัดสุนักรบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพญ็ญศีนสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพ็ญสมาธิสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายบำเพ็ญอากัปปะกิริยาสุนัขบริบูรณ์ไม่วุ่นวายครั้นกายแตกตายตายเอ่อครั้นแตกตายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับสุนัขทั้งหลาย เรียนแบบหมาจนได้เป็นหมาสมอยากเลยนะถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแต่อันนะตัวลทัทธิอันนะตัวลทัทธินั่นนะว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลด้วยวัดหรือพรหมจรรย์นี้ทิฏฐิของเขานั้นย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิดูก่อนปุณ น, นะเรากล่าวว่าคนมิจฉาทิฏฐิมีคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดูก่อนปุณณะวัดสุนัขเมื่อสําเร็จย่อมเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับสุนัขทั้งหลายนะถ้าทําตัวเรียนแบบได้เหมือนหมาเป๊ะหมดก็เกิดเป็นหมาเมื่อไม่สําเร็จนะคือไม่ได้ทําตัวเรียนหมาแต่ว่ารัที่อันนั้นอ่ะก็เข้าถึงนรกนะนะเป็นไอตัวรัตที่เนี่ยมันสําคัญมากนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าทําตัวแบบนี้รัที่บูชาพรมแล้วจะเกิดเป็นพรมน่ะนี้ไม่ใช่นะคลนละในแต่นี่หมายถึงพวกเดรชาอ่ะนะ เพราะด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลนี่มีเยอะเนี่ยนะสมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็นน่ยนะแต่ก็เชื่อว่ายังน่าจะยังมีอยู่ที่อินเดียนะประเทศไทยไม่มีแร้วเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปก็คือเป็นชาวพุทธนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ลัทธิห ย, ยาบๆแบบนั้นไม่มีแร้วไม่มีให้เห็นแต่ว่าที่มีให้เห็นก็ตอนนี้ก็คือบริสุทธิ์ด้วยการกิน บริสุทธิ์ด้วยการดูบริสุทธิ์ด้วยการฟังบริสุทธิ์ด้วยการอาบเป็นต้นเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่ทุกวันเนี่ยที่เห็นเ น, นั่นแหละมีสมณพราหมณ์บางพวกปรารถนาความหมดจดด้วยอารมณ์ที่ทราบนะนะแค่ว่าจับต้องเนี่ยจะทําให้บรรลุได้เช่นว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าบางพวกกจับต้องแผ่นดินจับต้องของเขียวสดจับต้องขีว้วัวขี้วัวขี้โคเนี่ยนะจับต้องเตา่าหรือเหยียบคายจับต้องเกวียนบรรทุกงา หรือว่าเคี้ยวกินงานะคือเช้ามากินงากินน้ํามันเคี้ยวไม้สีฟันอาบน้ําด้วยดินสอพองนุ่งขาวโพกผ้าพวกผ้ า, พ ว, พ, วผาพวกสีขาวนี่ยนะะถือความบริสุทธิ์เนี่ยด้วยการกินด้วยการอาบด้วยการล้างออยู่แถวแถวนี้ยแหละสมณพราหมณ์เหล่านั้นปรารถนาความหมดจดด้วยอารมณ์ที่ทราบย่อมเชื่อถือความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยอารมณ์ที่ทราบเนี่นะ ถือว่าการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโพธะพระทําให้บริสุทธิ์นะพราหมณ์คือพระอรหันเนี่ยนะไม่กล่าวความหมดจดที่ได้เห็นคือไม่ใช่เห็นจะทําให้บรรลุได้นะไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆเนี่ยจะทำให้บรรลุได้ไม่ใช่ว่าศีลเฉยๆจะทําให้บรรลุได้หรือประพฤติวัดหรือรับอารมณ์ที่ทราบนี่จะบรรลุได้ไม่ใช่บรรลุได้โดยทวารอื่นนะ ก็ปฏิเสธว่าบรรลุไม่ได้ด้วยการเห็นด้วยแค่ได้แค่ได้ยินเสียงด้วยศีลด้วยวัดด้วยอารมณ์ที่ทราบรอกเท่านั้นทําให้บรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยนะนะคำว่าพรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญในบาปนี่นะนะอันนี้พูดถึงพระอรหันต์ที่ไม่ติดในบุญในบาปคําว่าบุญบาปก็คือกุศลาภิสังขารอันให้ปฏิสนธิในตรายาธาตุยี่เรียกว่าบุญอกุศลทั้งหมดเรียกว่าบาปคือไม่ใช่บุญ ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารเป็นสภาพอันพรามนั้นละเสียแล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้ตั้งอยู่ไม่ได้ดุดตายอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาในการใดในการนั้นพราบนั้นชื่อว่าย่อมไม่ติดไม่พันไม่เข้าไปติดเป็นผู้ไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติดเป็นผู้ออกไปสละเสียพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในบุญและบาป เป็นผู้มีจิตกระทําให้ปราศจากแดนกิเลสอยู่ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้นะพระอรหันต์เนี่ยท่านท่านละบาปลอยบุญหมดเกลี้ยงอะนะคือกุศลาภิสษุขนันธ์อะนะคือบุญอะที่ถ้าเป็นมหากุศลก็ทําให้เกิดในมนุษย์กเทวดา ร, า, วรรารูปาวจรกุศลก็คือในพรหมอรูปาวจรกุศลก็คืออรูปพพรหมเนี่ยนะแม้กระทั่งอกุศลทุกชนิดเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติด ไม่ยึดเนี่ยนะเพราะท่านขุดรากของกรรมที่จะนําเกิดได้หมดแล้วเนี่ยนะกรรมที่จะนําเกิดเนี่ยเพราะมีตัณหากับอุปาทานเนี่ยนำเกิดถ้าสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานเนี่ยนะภพก็จะไม่เป็นปัจจัยเพื่อชาติเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีชารา ม, มรณะผ้าฐานทั้งหลายเป็นผู้ที่กําจัดตัณหาอุปาทานได้หมดจึงเรียกว่าผู้ละบาปแล้วก็ลอยบุญโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะนผู้ใดปรารถนาจะละบาปลอยบุญก็กําจัดตัณหาและอุปาทานนั่นเอง ละเสียซึ่งตนที่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำนะไม่ทําเพิ่มเติมอยู่ในโลกนะละเสียซึ่งตนคือละทิฏฐิที่ถือว่าเป็นตนนะหรือละความถือมั่นนะคือละทิฏฐิที่สําคัญว่าเป็นอัตตากับละมานะเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งละเสียซึ่งตนก็คือความยึดถือถือมั่นติดใจน้อมใจไปด้วยสา ม, มารถแห่งตันหาด้วยสา ม, มารถแห่งทิฏฐิ ความถือเป็นต้นนั้นทั้งปวงเป็นธรรมชาติอันพรามณ์นั้นละเสียแล้วสํำรอกปล่อยละสละคืนคือพาฐฐานนี้ละตันหาละทิฐิได้หมดนะนะคำว่าไ ม, ไม่ไม่ทำเพิมเ่มเติมอยู่ในโลกนี้คือไม่ทําเพิ่มเติมปุญญาพิสังขารสิ่งที่พาฐฐานทำเนี่ยจะไม่เป็นบุญไม่เป็นอะปุญญาพิสังขารอาเนีชาพิสังขารไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดเฉพาะไม่ให้บังเกิดเนี่ยนะจึงชื่อว่าละเสียซึ่งอัตตา ละตันหาละทิฏฐิล ะ, ละมานะละทุกอย่างเนี่ยนะพระอรหันเนี่ยอันใจความโดยสรุปในคาถาที่สามที่กล่าวไปแล้วก็คือพรามหมายถึงพระอรหันเนี่ยไม่กล่าวความหมดจดในอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินศีลและวัดหรืออารมณ์ที่ทราบโดยมักอื่นพรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญบาปละเสียซึ่งตนนนะละเสียซึ่งตนเรียกว่าเป็นผู้ไม่ทาเพิ่มเติม คือไม่ได้ทำกรรมอะไรเพื่อไปพบไหนอีกแล้วในโลกนี้เนี่ยนะอันนี้คาถาสรุปที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ส่วนคาถาที่สี่ก็คือว่าพรามนั้นนะพรามเหล่านั้นะละต้นอาศัยหลังคือพวกเจ้าละที่ทั้งหลายเนี่ยนะละตอนต้นก็ไปอาศัยตอนหลังนะเรียกว่าสมัยใหม่เรียกว่าละสำนักหนึ่งจากสำนักหนึ่งไปสู่สำนักหนึ่งจาก อาจารย์หนึ่งไปสู่อาจารย์หนึ่งลักษณะนี้เรียกว่าละต้นอาศัยหลังไปตามความสแสวงหาย่อมไม่ข้ามกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องไปได้เนี่ยนะแสวงหาลักษณะนี้มันพ้นไม่ได้หรอกสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมจับถือย่อมละเหมือนกับลิงจับละกิ่งไม้ในเบื้องหน้าฉะนั้นเหมือนลิงอ่ะเนี่ยพวกที่สแสวงหาข้อประพฤติปฏิบัตในในยุคนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับลิงอ่ะนะ มือซ้ายมือขวามันจับต้นไม้ใช่จับซ้ายถือขวาจับขวาถือซ้ายจับซ้ายถือขวาก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละที่เรียกว่าอะอาระต้นอาศัยหลังนะละที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งละอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอ่ะเหมือนเราก้าวเดินใช่ไหมก้าวซ้ายเหยียบขวาก้วาวขวาเหยียบซ้ายก็อยู่อย่างเงี้ยคาว่าละต้นอาศัยหลังมีความว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นละศาสดาต้นอาศัยศาสดาหลังพูดแบบไทยๆเราก็บอกละอาจารย์ต้นอะละอาจารย์แรกไม่หาอาจารย์ใหม่เนี่ยนะ ละธรรมที่ศาสดาต้นบอกแล้วก็อาศัยธรรมะที่ศาสดาหลังบอกนะละหมู่คณะต้นอาศัยอาศัยหมู่คณะหลังละทิฐิต้นอาศัยทิฐิหลังละปฏิปทาต้นอาศัยปฏิปทาหลังละมรต้นอาศัยอิงอาศัยพัวพันเข้าถึงติดใจน้อมใจถึงมรกหลังอย่างนี้เรียกว่าละต้นอาศัยหลังะน ก็จากรัฐที่หนึ่งไปสู่อีกรัฐที่หนึ่งจากรัฐที่หนึ่งไปสู่อีกรัฐที่หนึ่งจากอาจารย์หนึ่งไปสู่อาจารย์หนึ่งเนี่ยนะซึ่งสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความแสวงหาเนี่ยนะก็ไปตามความแสวงหาไอ้ถาแสวงหาคืออะไรก็คือตันหานี่นะก็ไปตามตันหานะแล้วแต่ตันหามันจะเสี่ยมสอนอะนะ ตันหาความกำหนัดความกำหนัดกล้าเป็นต้นเนี่ยก็ไปเพราะฉะนั้นไปตามตันหาคือความแสวงหาไปตามไปตามแล้วเล่นไปตามถึงแล้วตกไปตามความแสวงหาอันความแสวงหาครอบงามแล้วมีจิตอันความแสวงหาควบคุมแล้วเนี่ยนะตันหามันพาไปอ่ะนะจากอาจารย์หนึ่งไปสู่อาจารย์หนึ่งจากธรรมะหนึ่งไปสู่อีกธรรมะหนึ่งจากหมู่คณะหนึ่งไปสู่หมู่คณะหนึ่งจากทิฏฐิหนึ่งไปสู่ทิฏฐิหนึ่งจากปฏิปทาหนึ่งไปสู่ทิ ปฏิประธานหนึ่งจากมักหนึ่งไปอีกปฏิปฏิมักหนึ่งะนะตัณหามันพาไปแล้วแต่มันจะเสี่ยมสอนมันจะพาไปเนี่ยนะยอมไม่ข้ามกิเลสเครื่อ ง, อง้องเครื่องเกี่ยวข้องได้คือถ้าตัณหามันพาไปลักษณะเนี่ยนะถามว่าจะละกิเลสเครื่องข้องได้ไหมละตัณหาละวิชาได้ไหม เพ <CE> ราะไปอย่ değil, างนั้นอ่ะทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ตันหามันจะพาไปไม่ได้ทําให้เห็นอริยสัจอะไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าย่อมไม่ข้ามกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องได้คือย่อมไม่ข้ามไม่ข้ามขึ้นไม่ข้ามพ้นไม่ก้าวพ้นไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงเลยซึ่งกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความแสวงหาย่อมไม่ข้ามกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องได้นั่นแหละก็ออกจากกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องไม่ได้หรอก สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมจับถือย่อมละเนี่ยนะคิดว่าจับถือแล้วก็ละความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถือศาสดาละศาสดานั้นแล้วย่อมถือศาสดาอื่นย่อมถือธรรมะที่ศาสดาอื่นบอกละธรรมะที่ศาสดานั้นบอกแล้วย่อมถือธรรมะที่ศาสดาอื่นบอกย่อมถือหมู่คณะละหมู่คณะนั้นแล้วย่อมถือหมู่คณะอื่นย่อมถือทิฐิละทิฐินั้นแล้วถือทิฐิอื่นย่อม ถือปฏิปทาละปฏิปทานนั้นแล้วถือปฏิปทาอื่นย่อมถือมักละมักนั้นแล้วถือมักอื่นย่อมถือและปล่อยคือย่อมยึดถือและย่อมละนั่นแะปล่อยยึดยึดปล่อยปล่อยยึดยึดปล่อยเหมือนอะไรนะเหมือนลิงในป่าใช่เรียกว่าโหนมือขวาเออเรียกว่าโหนมือซ้ายแล้วไปจับมือขวาปล่อยมือขวาจับมือซ้ายนะปล่อยมือซ้ายจับมือขวาก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนคนก้าวเดินเนี่ยก้าวซ้ายเรียกว่าเอ เหยียบซ้ายย่างขวาเหยียบขวาย่างซ้ายเหยียบซ้ายย่างขวาก็ป้ายอย่างนี้นะมันพวกลทัทธิทั้งหลายพวกข้อปฏิบัติตามลทัทธิโดยมากก็อย่างนี้แหละนันะป้ายเรื่อยๆ เ, เหมือนลิงจับและละกิ่งไม้เบื้องหน้าฉะนั้นความว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมจับถือและปล่อยคือย่อมยึดถือ และสละทิฐิเป็นอันมากเหมือนลิงที่ทเที่ยวไปในป่าย่อมจับกิงกก่งไม้ละกิ่งไม้นั้นแล้วก็จับกิงกก่งอื่นละกิ่งอื่นนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นถามว่าอย่างเงี้จะเลิกจับเลิกปล่อยได้เมื่อไหร่ลิงอะ่ะไม่ได้แนละ้วก็ไปเรื่อยพวกลัทธิทั้งหลายเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันไม่มีพ้นเนี่ยนะไปเนี่ยนะพราะไม่ได้ไปสแสวงหา อ, า ร, มมาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะถ้าไม่ไปสแสวงหา อ, า ร, มมาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปด ไม่บรรลุตรัสรู้อริยสัจมันก็ป้าอย่างนี้แหละเั้นวัตตะจึงไม่มีจบมีสิ้นก็เป็นป้าอย่างนี้นะะนั้นสรุปคาถาว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นละต้นอาศัยหลังไปตามความสแสวงหาไปตามตันหานะไม่ข้ามกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องคือตันหาทิฏฐิได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นอ่ะย่อมจับถือละเหมือนลิงจับและละกิ่งไม้ในเบื้องหน้าฉะนั้นก็ป้าเรื่องนะัห้อยโหนป้าอย่างนั้นแหละ